ทุบตีตนเองแต่ไม่ร้องไห้ต้องอบัดทุกกฎร้องไห้แต่ไม่ทุบตีตนเองต้องอบัดทุกกฎ